ความกลัวต่อขั่วต่างๆในจักรมุขบัญชามันเป็นผลมาเองเหมือนทำอาบบาปเรือบาปแล้วศีลมันก็ได้จำเจนที่จะยากเย็นอะไรในการรักษานี่มันในมีอะไรในจิตในใจมันจึงมีกฎหมายขุนความรักษากันมีตําแหน่งทหารรักษาบ้านเมืองเพราะมันมีศีลมีธรรมในจิตในใจถ้ามีศีลมีธรรมแล้วมันสะดวกมันสบาย คิดถึงใจเขาใจเราเนี่ยเราพูดไปอย่างนั้นทําไปอย่างนั้นถ้าหาคนอื่นเขามาทํากับเราเราพอใจดีใจไหมมันจะมาเบียบเทียบ ด, ดูถ้าหากเราเสียใจเราควรั้มจะไปทํากับเขาอย่างนั้นมันจะสอนใจของตัวเองมีเหตุมีผลมี่คือคนมีอาจมีทําในใจแต่นั้นเรื่องธรนะ ถ้งจะผ่านเวลาม า, ม น, น, านินๆาตั้งสองพันหากว่าปีกว่าตามถ้าหากผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้คนนั้นยังทันสมัยยังเ็นที่มิยมชมชอบของคนถ่กไปจะเป็นประเทศใดเนินเจฆราวาบรรพชิตไหนว่าของหนมีธรรมะเป็นเครื่องประดับกายราจะใจของคนคนนั้น ทำสมัยดีกว่าเครื่องประดับภายนอกเพชรพลอย ท, ที่เขาถือว่าเป็นของหยุ่องดีย่าง น, นี้นคุ้มค่าสาระยิ่งเท่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเขามีธรรมะเขามีเครื่องประดับภายนอกสวยงามเพียงแค่นั้นแต่ความประพฤติของเขาเชื่อเสียใครเล่าจะไปน็นยังเชิงช่อ หนดอกไม้คือมีสีงามแต่กลิ่นมันเหม็นใครเห็นใครยังต้องชอบแต่พราะใกลิ่น็ขึ้นยาอย่างนี้ใครยาวได้ไหมปลูกไว้ประดับในบ้านไหมช่องทางเครืงสีงามดอกงามแต่ในส่กลิ่นเหม็นนันก็มีคนยังคงชอบอยู่แต่กลิ่นมันเหม็นเป็นพิษไม่มีใครชอบทางนั้น เรื่องกายใจทั้งสองเราแท่ากันเหมือนกันต่างคนต่างมีกายมีใจสิ่งที่ใจน่าแกะไขสิ่งที่เชั่อคือผิดต่างๆออกไปใจมันมีอัดมีทำมีความสงบมีความเย็นเพอทำนั้นนั้นท่านสอนเหยละชั่วสิ่งใดชั่วใหละอย่านําสิ่งที่ชั่วนั้นมาประดับกายบาจาของตัวชั่วคืออะไร คำไทยมันก็เด่งบอกอยู่แล้วลว่าชั่วไม่ดีตัวของตัวคนอื่นเข้ามาทำเข้าไว้ในปากถนาเหมือนคือความชั่วความเสียถ้าหารไปทํากับคนอื่นเขาเขาก <c oughs> ่อ น, น, น, นี้นเดินมินทานุ่นกันเพราะเรื่องชั่วเรื่องเสียแบบนั้นไม่มีใครตัดเถนะแต่นั่นเรื่องชั่วต่างๆาานานาเรื่ในควรน้นมา ใส่กายใส่จิตของตัวเพราะพูดไปแล้วทําไปแล้วคิดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ตัวของตัวก็เกิดโทษตกว ด, ดทุกข์ทำหนีตัวของตัวได้ถ้าหากเราไม่ยอมทำอย่างนั้นกายของเราวาจาของเราใจของเราบริสุทธิ์ไม่ยอมทำเชื่อเสียอะไรคือมีปกติมีศีลเพียงแค่นั้นมันก็เย็นใครใครจะมา ดีหไม่ดีทาร่าเต่า อ, อย่างนั้นอย่างนี้จะให้ไม่ไปทําปไม่ไปพูดไปเรามีใจปกติมีใจเป็นศีลเป็นธรรมมันก็สามารที่จะยับยั้งหยุใจของเขาได้ไดในโกฎแห่เขาก็าเขาเห็นผิดเขาเข้าใจผิดตัวของเราไม่ไปทำเชื่อพูดชืด่ออย่างนั้นแต่เขาเข้าใจแล้วผิดจะเป็นเรื่องของเขา ในลาบเอาสิ่งที่เชื่อส่อเสียถิงเขาไม่ให้ถ้าเรามีปัญญาในใจเช่หรือยู่นี่อการปฏริบัติอยู่กับโลกมันจะต้องในรักษากายบายจาใจของตัวจึงไดเชื่อเสียต่างๆโลกเขาตั้งมีมินทาและในดีมีเหตุผ ล, ล เ, เราจะต้างคนละ สิ่งใดมันดีมีเหตุผลเป็นอย่างไหนทำก็พยายามแต่ทํามันเพลินในเกิดในมีสิ่นในตัวของตัวยิ่งทําได้เท่าไรใจยิ่งเยียกเย็นใจยิ่งเห็นความสูกความสบายก็ยิ่งทาไปในสิ่งเหือ น, นั้นคอสมสำคัญคนเรามันสําคัญอยู่ที่ใจกายนี้ไม่สาคัญเท่าไร ถ้าม่มีใจแล้วจะไปเผาเผไปสังที่ไหนก็ได้ใจนี้ถึงจะเจีนเนเนนยนเจียนจนแมนใหญ่โตขนาดไหนถ้าไม่มี <c oughs> ใจเท <c oughs> ่านั้นไมนก็ัวไปทำอะไรกันได้ขาดทั้งสี่นก็จะส่งไปตามหน้าที่เพระมันดินน้ำโดนไฟใจเจียนี่เรืองสําคัญใจนั้นที่จะดีได้ก็ต้องอาศัยธรรมเราเคยดมดูเหลื่องของการ เคยจินมอยู่คือวายต่างๆนานาแสวงหามาเพื่อกายเท่งนั้นแต่ใจเนยหามาเพื่อใจทอ้งตัวใจไม่เคยเลดื่มเรื่องอาจเรื่องทำเลยแต่กายนั้นบรูโภคอยู่ทุกอย่างที่มันต้องการแต่กายนั้นถึงเจเราจะบำรุงรักษาถนาดไหนจะให้มันแก่มันเจ็บมันตายนั้นมันเป็นใจเนได้ พรสัตว์จะทำทคำสอนขงพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดมาแล้วอ น, นมีแก่ีนจิตีนใจจะมียาดีขนาดไหนมารักษามันก็ไม่หายไม่เป็นไป ต, ตามความจองการของตัวแต่จริงว่าเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังไ ม, ไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้จริง ท, ท, ท, ที่เกไม่ต้องการจรงที่ถือว่าในยีเกิดขึ้นแม้ก็เกิดทุกนี่คือคนที่ขาดอาัดทำ ในจิตในใจในข้อใจเรื่องอัตธรรมจริงจังมันเป็นอย่างนั้นแล้วหลงไหลใส่ความอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นไปไหนได้โลกอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของความอยากของใจไม่มีวันอื่มมันพอน้มหาสมุทรทะเลกว้างใหญ่ลึกขนาดไหนมันก็ไในเท่ากับเรื่องของใจของปัญหาของคนนักถี่ปัญหาสมาธนักที่ไห้ําเสมอเดี๋ยวปัญหาไหนมีความอยากของใจนี้ เพียงคนเดียวแ่นนะั้นมันก็ทับแคบโลกอันนี้ถ้าหากมันมีนทําได้ตามความากของมันเระ ม, มีสัตว์อื่นคนอื่นจะไหมอยู่ได้ต็มไปหมดในโลกนี้มันจะไม่พอต่อความตั้งใจของมันความอยากของมันม่นเนอย่างนั้นมันอยากใหญ่ใส่ถุงเยอะเกินมันจึนนมนงมมีขอบเขตและไม่มีอะไรในวัด จิตของคนอย่ามันกว้างมันแคบขนาดไหนทะเลมันลึกมันกว้างขนาดไหนใครยังมีเครืวัดบ้างแต่จิตใจของคนนี่มันเล็กกว่านั้นบ้างากว่านั้นมันไปได้ทุกเนี่ยทุกมุมทุกทิศ ท, ท, ทุกทางความอยากมันกว้างมันใหญ่ดังนั้นการที่จะสำระความยากก็เพราะอาศัยทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาที่นี้ชี้แจงนะ คนอื่นที่เขาเกิดมาเก็อยากเหมือนกันกับเราเรียนเป็นแสวงหาได้มาแล้วเขาก็หิ้วหัวกว่าเป็นของของเขาแต่เนื่อเขาจากไปตายไปไมได้อะไรไปไทั้งที่เขาแสวงหาหิวหัอยู่เป็นธรรมดาตอนยังมีชีวิตจะไม่ค่จากไปแล้วไม่เห็นเขาหยิบยกอะไรไปได้หีเราะยากเกิดมาเที่ยวกันกับเขา เราไปไปมีทางผ่อนคลายความเจ็บผีเลี้เห็ดเลี้ยนมีฝั่งมีฝาเข ม, มีธรรมะประจําจิตประจําใจของตัวแถมจิตแถมใจของตัวเหละชั่วต่างๆออกไปได้ธรรมะของพระพุทธเจ้ า, เ, าเหมือนน้าาทนที่สะอาดแฉะัล้างสิที่โกระปกให้จกไปได้ถ้าหากนีธรรมะในใจเท่านั้น จะเอาแต่กิเลปัญหาความอยากของใจมันก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะผองใสที่จะสะอามแต่วันที่จะสขปกนาเนี่ยเขไปรื่แต่นั้นคือบพติกรรมีรรมะถวิรู้ธรรมะเห็นธรรมะเขาใจธรรมะเป็นจิตเป็มธรรมะจริงจังแล้วไม่ต้องหาความสุขที่อื่นความสุขในธรรมะในจิตของท่านมีสมบูรณ์ สบายจะอยู่ในต่าในเขาทั้งทั้งสนในนี้เขาของเงินทองบ้านช่องอะไรจะตาในที่ใดทำกันเเสใจในมีอะไรทำก็นเลลยเใจในการในมีวัตถุแต่ทำมีธรรมะในใจท่านทุกท่านสบานีรยเป็น็น สิ่งที่จำเป็นที่เราทุกคนจะควรําเพ็ น, นให้มีในใจถ้ามีธรรมะแถวนั้นมันสุขมันสงบมันสบายพระพุทธเจ้ายิงสรรไลเ่เสริมยิ่งธรรมเนี่ยท่านท่านที่ทำเป็นกษัตริย์ในอดคนทั่วไปสมัยปัจจุบันต้องการฐานะหน้าที่อั น, นาจราชสนัถ้าเราเป็นผู้รักจักรใหญ่ ยิ่งเ็นจะถัดก็ยิ่งหึงหึงกันใหญ่ยิ่งอยากเจนเสียเงินเสียทองเสียกระเป๋าเสียของไปเท่าไรก็ยอมเพราะความอยากได้มีหน้าขี่การงานเป็นใหญ่เป็นโตมันเป็นอย่างนั้นแต่นี้ท่านเสียสละลาบยสรรเสริญศุขท่งโลกใจใจพิสิิบัติจนจิตสงบสงัดมีธรรมะในใจ ท้าไได้ติดข้องไม่ได้คิดถึงไม่ได้ยึดเกี่ยวกับสัมปัตตเหล่านั้นทุกท่านที่ถึงธรรมมีความสุขมีความสงบมีความสบายอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดเป็นสุขเถรุเป็นสิริมงคนในสถานที่นั้นในเป็นข่าสุขสัตว์ในวาดต่แงๆตัดเนื้อหนุก็อยู่สถานที่ใด มีความฝึกกายสุขใจสำหรับท่านคนทั่วไปที่ไปเกี่ยวข้องสังคมคนเหล่านั้นก็ไม่ผิดหังเพราะท่านเป็นเนื้อนาบุขญของโลกฝึกต่องการบุญต่องการฝึกฝนต่องการความฝึกเข้าไปได้เพราะจิตใจของท่านสะดวกสบายกายของท่านเนี่ป็นทิษเป็นภัย เพราะใจทั้งฝันเป็นธรรมเมื่อเราไเป็นอย่างนั้นถึงจะอยู่ในสถานที่โออองางตาอาหารการกินจะเพืยอนเพื่อนฝุ่ขนาดไหนใจก็ร้อนก็ไม่ในสุขในสบายให้เท่าที่ควรเพราะจิตใจมันลืมหลงใจตามตัญญาอารมณ์ตามจีเลี่ยนตัญหาต่างๆ ไม่ขับไล่แจ้ไขอย่างเหล่านี้มันจึงไม่มีสถานที่สุขที่สงบให้แต่าหากเราทับไล่แก้ไขมีใจเป็นอัตเป็นธรรมแล้วมันสุกมันสบายอยู่สถานที่ใดมีใจของใสมีใจเบิกบานยู่คืออา น, นิสงส์ของการปฏิบัติการปฏิบัติปฏิบัติก็ณีคนอื่นที่จะทําให้เหมือกนกันกับทานอาหาร เราจะอยู่เดยกันนัง่งพิงกันอยู่แต่ตามแต่คนหนึ่งพข ท, ทานเราฉันแต่องค์หนึ่งนัง่งพิงอยู่ไม่ได้ฉันจะให้อืนด้ดยกันเป็นใตเในไดน้การปฏิบัติก็ทำอย่างเดียวกันเป็นตับจัดตางเฉพาะตัวที่ควรจะทำบำเพ็ญโดยเฉพาะนักบวชในมธุรละในอาสี่ การงานด้านอื่นก็ควรเตือนตาที่เจรนาจิตใจของตัวเดี๋ยวเศรษีเดี๋ยวัำ ย, ยาทุกระยะอาเรมสัญญาอะไรเกิดขึ้นมาจะเป็นเตืดตาที่เจรนาแ่าเป็นธรรมหรือเป็นอาธรรมถ้าหากเป็นไปในทางอาธรรมก็รีบแก้ไขให้อาเรม อ, อันนั้นตกไปอย่าไปเก็บรักษาเอาไว้เพราะมันเป็นที่เป็นไยัย ทำความเดือดร้อนเสียหายให้แกตัวของตัวแกจง ต, ตัวตาที่เจนะ่ะดีใจมีสติรักษามีปัญญาเนี้ยสอนตัวอยู่ทุกไรยะอารมณ์ไม่นมนมนเนี้ยเลยเกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากใจของเราแถวนั้นโลกปวดหลงไม่ไดอยู่ที่อื่นนั่นประหนึบกัน ญ, ญากกว่าโลกปวหลงแต่โลกปวดหลงเ ก, กิดปัญญาจรงิงจังมันไม่รู้มันจรงิงปฏิบัติตัวในถูก ถ้าคนมีอจมีธรรมที่ใจนะมีแติตปัญญาประจำใจอะไรเกิดขึ้นมันทเหมือนกับการในจิตพอจิตไปมันติดใจขนาดนั้นทรามันก็ดับได้หนีไปจิตบ้าเขางนเง่ยเอ็ไมันไม่มันก็ดับไม่ไหวพอมันไปกันใหญ่แี้ยนี่มันเกิดเป็นต้นวีบดับมันปัญญาอารณ เชื้อเพลี้ยต่างๆไม่ได้เกิดไปจากที่อื่นเกิด ข, ขึ้นจากกิจท่องเราขอให้มีสติรักษามีปัญญาเนี่ยสอนตัวเท่านั้นความสงอบสุขมันก็เกิดขึ้นเพราะเชื้อเพลี้ยต่างๆเราทําลาสสารอยู่ตลอดเวลาเร า, เราทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลาทำไมมันจะไม่สะอาดได้มีอยากจะให้สะอาดแต่เปี่ยัดกวาดในรักษาในทำความสะอาดสักที อะไรตกลงไปอะไรหล่นลงไปในว่าตังแเจธรรมาดางท้างตัวใหญ่ๆนี่ก่ไปแอบอยู่ได้พอาะมันเดงหนักต่าทึบยื่นปัญหามันมากเลยไม่เห็นแต่อะไรเป็นอะไรให้เมราไม่เห็นเดินไปมันจะทำร้ายเอาตัวของใราเองเกิดทุกข์เกิดโทษแต่หากเราทําความสะอาดในว่าตังเ่ท้างเจ เสือตัวใหญ่ๆเพงเห็นตกลงไปเท่านั้นในที่สะอาดแล้วก็มองเห็นได้เล็กขนาดไหนก็พอมองเห็นได้นี่คือความสะอาดของสถานที่ความสะอาดของใจเหมือ น, นกันอะไรเกิดขึ้นมนาที่จะเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อจิตต่อใจต่อเขียนต่อทำแล้วพลาดพอเราส่องรักษาจิตใจของเราสะอาดแล้วพลาดได้ มันเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือตกไปแล้วซ่าใจิตใจเป็นเรื่องที่จะถนุถนามรักษาไดา้ทำความสะอา ด, าดได้บริสุทธิ์ได้ในเหลืยวิสัยถ้าหากต่้งใจปรฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ขอคำคำให้ทำจริงอย่าทำเล่นเราจะเห็นผล ในตนของตนและทําคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอาการิโกจริงเพื่อไม่มีทางมีเวลาพระพุทธเจ้าจะยังทรงพระสนอยู่หรือตอนิี้ผ่านไปเพื่อจะพูดปฏิบัติตามอาจทำอยู่พระพุทธเจ้าสอนจะต้องเห็นเป็นสันผัสที่ตัโกเห็นเองในจิตในใจขั้งตัวแต่ก่อนไมันเคยชื่อเคยเสียเคยเพ่งเคยแต่งเคยนึกเคยคิดเคยติดใคยขังในอารมณ์สัญญาอย่างไรพอเมประพูดปฏิบัติ ถึงอาจถึงทำจียงจังมันแต่มันวายมันละมันถอนไปอย่างไรจิตใจโยนี้มันอยู่ในขั้นใดระยะใดจะขัดจะถอยใจจากการปฏิบัติปฏิบัติของตัวไม่มีอะไรปิดบังไม่อยู่กับการแต่เวลาเพราะเป็นอาการลิโกความดีความเชื่อสมัยพุทธกาลแต่เขาทําดีเขาก็ดีไปความเชื่อมันก็เชื่อไปอย่างเชือถ้าตุกเกิด พร้อมกันกับพระพุทธเจา้าเบียดกับพระพุทธเ จ, าาาจา้าแต่เขาทำเชื่อทําเสียพระพุทธเจ้ากว่าหักหันไม่ได้แจกไขไม่ได้แต่คนที่ทาดีพระพุทธเจา้าจระดิษฐ์มิตรทานใจถ้าทำดีถ้าแจใช้จิเดียัญหาคนนั้นก็สามารที่จะบรรลุมรรคผลนิตรทานได้ทาำจนมีการมีสมัยตกมาพวกเราปัจจุบันท่านตายกับท่านนองเดียวกันของในตั้งนั่น ถ้าเทศปฏิบัติจร่งๆเชื่อหรือเสียอย่าไปคิดว่ามันจะไมเชื่อไม่เสียเพราะการเวลามันผ่านไปมันยังเชื่อยังเสียอยู่ทุกโทษความใหญ่มันเกิดขึ้นจากกายจากใจของเราทุกสบายจะทํานองเดียวกันขอให้เทศปฏิบัติให้รู้ให้เห็นเด่นชัดในจิดในใจจิตใดที่มันฝุกมันเย็น มันเป็นในตัวมันไม่มีเวลาลืมมันจะจำได้แน่นยันขอให้มันประดุษในจิตในใจในเห็นกระจาดชัดเจนแถานั้นนี่มันไม่เห็นมันในเป็นอย่างนั้นมันจริงหยุดทๆค้ำๆบ่าสมัยนี้นักคนหดไปจะทําอะไรมันก็ไม่เกิดช่วยเกิดเสียให้เกิดดีเกิดพิเศษให้ก็พอใจทั้งตัวไในเห็นใจทั้งตัวมีบอ่ สีแสงมันจะมีเท่าไรแม่ก่อนเห็นวันมีเวลามองเห็นใหพอมันมืดมันบอดแล้วทางันตาปกติธรรมดาแม่ก่เห็นทีแสงมันมีอยู่ในโลกนี่ทำคันของของกุ้ยเจ้ามรคผลคือเผยสาเอาไว้ก็ยังมีอยู่สำหรับผูผูมีผูมีตาแต่นั้นเราจงพากันต่างหน้าต่างตาภาวนา ศึกษาประเพฤติปฏิบัติให้จิตัสงบสงัดให้จิตเย็นจิตรู้อย่าไปหลงยิงไล่ยิงท่องกิเลสตัญหามันไม่มีตามมีเวลาอี่มพ อ, อยิงเป็นนักบว่มีหน้าขี่จิตจะทุ้น้ายาใจิตใจของตัวกระรือเบ่งขนขวายจะทำบำเพ็ญ จิตใจทังตัวเห็นตัวของตัวมีความสุขความสบายมีความเย็นเย็นไม่เป็นทุกข์เป็นไทยเพียงเท่านั้นคนอื่นสืบเข้ามาเห็นเข่าเพราะมีความฝุ่ใจคนที่เป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายร้องไห้พูดออกมาเพราีตังเจ ทุกกายทุกใจคนจี่เป็นทุกเดียกันขอไปหามันก็เปิดทุกเพ่งเต็มจนขึ้นเหมือนกันกับของสผล่กผเอาของสผล่โผมาล้างออกไปมันก็ไม่มีวันที่จะหาจากสล่โผได้หรือคนเตรียมจะตายจะไปเชื่อคนอื่นมันก็เชื่อไม่ได้เพราะตัวของตัวเจียมจะตายอยู่แล้วมีแต่เราดีเรามีความสุก ความเย็นความสบายคนเป็นทุกข์ภายหน่อก็เามื่อเห็นหน้าตาหยิ่งหยิ่งแจ่มใสมีจิตใจกว่าเลยในอดในธรรมก็พอที่จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยเข้าได้เพระฉะนั้นคนที่ทุกข์จิตทุกข์ใจเดือดร้อนภายในจึงยิ่งพอไปหาพระคือจิีนมีอดมีธรรมในจิตในใจพอไปเห็นหน้าตาของท่านแจม่มใส จิตใจท้องอยากเย็นถนั้นมันจะเย็นไปั้งจิตทั้งใจของเราสบายเป็นร่มเป็นเงาให้ขอได้ถ้พาอาศัยพใจมันเย็นใจมันสุกใจมันมีศีลมีธรรมโดยเสวนใจของพระเป็นศาสนทพายาหรือสืศาสนาแทนองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โยมพากันขยันงานเพียรตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษากายร่ายกายใจของตัวขีดขีดเชือกขีดเสียต่างๆขีดเป็นทุกข์เป็นโทษอย่าไปประมาทอ่าของนิดหน่อยจะได้เป็นที่เป็นไทยความจริงของนิดหน่อยอะหลายทลั่งลายหุนเข่าเมืนก็มากขึ้นเอของนิดหน่อยสิบนิดหน่อยขุ่นนิดหน่อยทาให้ตาคนบอก เปลี่ยนน้ำนิดหน่อยมันมันแพงใสเจ็บปวดเป็นยิงเป็นยางใหญ่ๆมันเหน่อยใสเด่นหนาาักขาดเด่นเท้าของคนมีแตกพอมันเห็นก่อนมีนเราก็อนห้เห็นความเชื้อเสียต่างๆยินเนย์หน่อยเป็นพิษเป็นไทยอย่าไปกล้าแต่ต้องจต่ทาเป็นอันขาดรักษาถี่สมาธิปัญญาของตัวเอาไว้หายใจบริสุทธิ์ผ่องใส ทำใจเห้สะอาดทําใจให้เย็นอยู่ตลอดวันตลอดเวลาคนนั้นจะนมีความสุขความสบายนี่คือการปฏิบัติตามธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าคือจิตประเทศปฏิปบัติได้ก็อนหมี้การตัณ ม, ม, มินทาตัวเองว่าเชื่อหวาเสียคนอื่นผีร่รู้มีหูมีตาเขาก็สรรเสริญเ ช, นชนิเชยว่าน่าเคารพีู้า ธรรมาะในพฤกษ์ในล่าสมัยตามลมปากของคนทานคนชั่วเพียงพากันถนอมรักษาปฏิบัติกายราจาให้ถูกต้องตามศีลส ม, มาธิปัญญาเมื่อต่างกันต่า ง, างคนทีปฏิบัติรักษาอย่างนั้นความสงบสุขในใจข้งตัวก็จะเกิดขึ้ น, นเมื่อตัวมีความสงบสุขโลกผัวไป เพราะเป็นทุกข์เดือดร้อนเขาจะได้มาพึ่งพาอาศัยและสุกกายราชาใจของเขาให้สงบอย่างนั้นผลที่สุดคนมนุษย์ถั่วใปมีธรรมะในกายในใจโลกกวจะหนาอยู่หนาอาศัยนี่แหละการแต่เพืกอปฏิบัติการธรรมะมีสาระมีความสึกอย่างนั้นฉะนั้นขอทุกท่านจงนำไปที่นิพพาศึกษาตัณหาตัณหาปฏิบัต ต่อไปนั้นก็จะมีความฝุกความเจริญการอธิบายคระเห็นว่าพอสมควรจีเวลาฝ่ายยุติเพียงแค่นี้เรียบร้